รามนาทาที่เนเนหหา็ปิยายเรื่องสอั้นอิงธรรมะเรื่องตะเบบูย่าโดยชลนินหนหรนัักกเาามาละนไดนได้ไงสิ่งเอ ต้นตะเบบุย่าสูงใหญ่นั้นอยู่หลังอาคารเรียนแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่นักเรียนมาหลายรุ่นใต้ต้นมีโต๊ะหินที่ผ่านการใช้งานมานานพอกันบันทึกของการเวลาผ่านลายมือเด็กๆเขียนเต็มพืชไปหมดตะเบบุย่าปีนี้ออกดอกช้าบนต้นจึงเห็นใบเขียวๆมากกว่าดอกสีชมพู ถึงกระนั้นก็ยังมีเด็กหนุ่มหัวเกรียนสวมชุดนักเรียนมายืนชะเง้อคอมองหาดอกตะเบยบูยญาเสื้อเชิ้ตนักเรียนสีขาวมีลายเซ็นอะไรลาจากเพื่อนๆ เ, เ, เปะไปหมดเขาเห็นดอกไม้ที่ต้องการแต่เกินกําลังจะเอื้อมถึงจึงยืนคิดหาวิธีการซึ่งน่าจะมีทางเดียวคือต้องปีนขึ้นไปพอคิดได้ก็เหลียวซ้ายแลขวาตั้งใจว่า หากไม่พบใครก็จะรีบปีนไปเก็บโดยด่วนแต่สายตากลับประทะร่างเด็กสาววัยเดียวกันสวมชุดนักเรียนมีลวดลายที่ระลึกจากเพื่อนๆไม่ต่างกันกำลังยืนมองเขาตาเขม็งนายกำลังจะทำอะไรนะ่ะสายตาเจ้าหล่อนเหมือนคุณครูจับผิดนักเรียนเขายิ้มแย่จะขึ้นไปเก็บดอกไม้เธออย่าบอกใครได้ไหมเด็กหนุ่มพยายามทำใจดีสู้ บริเวณนี้ไม่มีใครถ้าเด็กสาวไม่พูดก็ไม่น่ามีปัญหาได้สิเด็กสาวยิ้มหวานรับคำง่ายผิดปกติแต่นายต้องเก็บเขือฉันดอกหนึ่งเข้าหัวเราะนับเป็นการเริ่มต้นทำความรู้จักที่แปลกประหลาดไม่นานทั้งคู่ก็ได้ตะเบบูย่าคนละดอกพร้อมกับแนะนำตัวเป็นทางการเราชื่อต้นอยู่ห้องห้าแล้วเธอล่ะ อ, อ, อยู่ห้องแปดทำไมถึงอยากได้ดอกตะเบบุย่าฉันต้องถามนายมากกว่านะลงทุนปีนขึ้นไปขนาดนั้นถ้าอาจารย์มาเห็นรับรองได้เรื่องจะปิดเทอมแล้วอาจารย์ก็ไม่ว่าหรอกเธอนั่นแหละนี่ยังไงถึงอยากได้เหมือนกันจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเราชอบดอกสีชมพูของมันตอนบานเต็มต้นไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเห็นอีกหรือเปล่า คำพูดเด็กสาวทําให้เขามองอย่างสนใจเหมือนกันเลยตอนที่มันบานสีชมพูทั้งต้นนะสวยมันให้ฝันยิ่งตอนมันล่วงลงเต็มพื้นดูยังกับพรมแน่เราเลยอยากเก็บมันไว้เป็นความทรงจํำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเรียนที่นี่ทั้งสองยิ้มให้กันแปลกนะเราอยู่โรงเรียนเดียวกันมาตั้งหลายปีแต่ไม่เคยคุยกันเลยเด็กสาวเปลย เราเห็นเธอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เดินสวนกันไปมาพอได้คุยกันทีก็เป็นวันสุดท้ายในโรงเรียนซะละเด็กหนุ่มเสริมอืมเด็กสาวยิ้มขันนายจะเอ็นเข้าที่ไหนล่ะไม่รู้สิต้องรอดูคะแนนก่อนมั้งว่าพอจะเข้าที่ไหนได้บ้างเขาตอบง่ายๆเหมือนกันเลยพวกไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้สิเราไม่ชอบคิดอะไรล่วงหน้ามากนะ โดนเพื่อนมันว่าบ่อยๆว่าเป็นพวกไม่มีความฝันความฝันหรอเด็กสาวทอดเสียงยาวในตาจ่มจรัสพันของฉันง่ายจะตายขอแค่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นสุขในทุกวันก็พอแล้วแต่ไม่แน่นะพอเรียนมหาลัยความคิดอาจจะเปลี่ยนฉันอาจจะมีความฝันในสายงานที่เรียนอย่างเต็มที่ไล่ตามมันอย่างสุดชีวิตก็ได้เขาหัวเราะ เราจะมีโอกาสเจอกันในมหาลัยไหมนายอยู่ห้องห้าสายวิทย์ฉันอยู่ห้องแปสายศิลป์ต่อให้เข้าที่เดียวกันได้ก็เรียนคนละคณะอยู่ดีแหละงั้นเราก็อาจไม่ได้เจอกันอีกแล้วสิไม่เป็นไรฉันจะเก็บดอกตเตยบุย่าไว้ดูต่างหน้านายก็แล้วกันหล่อนยิ้มใสเฮ้ย ห, หน้าเราไม่เหมือนดอกไม้สักหน่อยงั้นฉันจะจาชื่อนายไว้ละกันต้น ถ้ามีโอกาสเจอกันอีกรับรองไม่ลืมแน่เด็กสาวยืนยันเราก็เหมือนกันปอรับรองว่าจะจาความรู้สึกดีๆของวันนี้ไปตลอดเลยตะเบบุย่าคนละดอกในมืออาจเหี่ยวแห้งโรยราตามการเวลาทว่าจุดเริ่มต้นในวันสุดท้ายของการศึกษาชั้นมัธยมอาจเป็นการนับหนึ่งของวันเวลาสำหรับคนสองคนซึ่งยากจะบอกได้ว่า เจ้าที่สองจะมาเยือนเมื่อใดนั้นวันที่ฉันได้พบกับเธอไม่เข้าใจทําไมรู้สึกเยางานั้นความใกล้ชิกเข้ามาเป็นความผูกพันเริ่มสร้างฟันวาดหวังเอาไว้สวยงานเธอทําไมร่รู้มึกแหลมทําเป็นไม่เห็น ไม่มีใครสามารถจุดรั้งการเวลาทำได้แค่มองร่องรอยของมันเดินทางผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวตะเบบูย่าผลัดใบออกดอกร่วงโรยแต่ละรอบบอกถึงฤ ด, ดูการที่เวียนมาและล่วงเลยผ่านเราสายลมนิรันยากหาจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดปีนี้ตะเบบูย่าหลังอาคารเรียนผลัดใบจนหมดเหลือดอกสีชมพูบานสพรั่งเต็มต้น ยามเงยหน้ามองจะเห็นสีสันของมันโดดเด่นตัดกับพื้นฟ้าสีครามบนโต๊ะหินใต้ต้นมีร่องรอยปากกาขีดเขียนข้อความต่างๆเพิ่มขึ้นขณะที่ข้อความเก่าเริ่มเลือนรางมือเรียวยาวของหญิงสาวลูบไล้ร่องรอยบนโต๊ะหินนั้นยังอ่อนโยนดวงตาคู่สวยทออรอยรลึกอัน ง, งดงามดอกสีชมพูหล่นคว้างจากต้นกระทบมือ รอยยิ้มผลิบานเมื่อได้เห็นเจ้าดอกตะเบบูย่ากลีบอ่อนอยู่ใกล้ๆหยิบขึ้นมามองอดอมยิ้มไม่ได้ผมจะไม่ฟ้องอาจารย์เรื่องคุณขโมยดอกไม้นะถ้าคุณจะเก็บตะเบบูย่าเผื่อผมอีกสักดอกเสียงทุ้มนุ่งกังวาลของชายหนุ่มดังขึ้นหญิงสาวหันกลับไปมองพบชายหนุ่มคุ้นตาต้องใช้ความทรงจำอยู่ชั่วครู่จึงได้คาตอบตอน้น ชื่อนี้หลุดมาพร้อมรอยยิ้มจากริมฝีปากและดวงตาดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งครับปอชายหนุ่มเดินเข้ามาหาดวงตาพราวรยับแล้วก็ดีใจที่คุณยิงจำชื่อผมได้ปอเงยหน้าขึ้นมองรู้สึกว่าเขาสูงขึ้นไหล่กว้างกว่าเดิมที่ชวนให้จดจำคือแววตาเปิดเผยจริงใจคู่นั้นคุณเก่งกว่าอีกที่จงฉันได้เขาหัวเราะ ไม่อยากบอกเลยว่าทีแรกก็จาไม่ได้นึกอยู่ว่าสาวสวยผมยาวที่ไหนมายืนอยู่ใต้ต้นตะเบบุย่ากำลังจะเข้ามาจีบนันเนี่ยแต่พอเห็นเก็บดอกตะเบบุย่าเลยนึกถึงปอได้เขาหยุดพูดมองเธอด้วยแววตาเบื้อหยิมเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีสบายดีเรียนจบแล้วเพิ่งได้งานทาวันนี้อาจารย์ที่โรงเรียนท่านมาให้แนะแ น, นวน้องๆม .6 เหมือนผมเลยเขาพูดอย่างแปลกใจ อาจารย์ท่านก็ให้ผมมาช่วยแนะนาน้องๆเหมือนกันคุณทา ง, งานอะไรคะออกแบบพวกตึกอาคารแล้วคุณล่ะงานโฆษณางานต้องจบนิเทศค่ะของคุณคงสถาปัตย์ครับผมสมัครเรียนตามเพื่อนน่ะเหมือนกันฉันก็เลือกตามเพื่อนแต่มาแยกเอกโฆษณาทีหลังทั้งสองนั่งคุยกันบนเก้าอี้ม้าหินใต้ต้นตะเบบูยา่าที่กาลังผลิบานสะพรัง่ง ช่วงเวลา 4-5 ถึงปีที่ล่วงผ่านคล้ายเป็นเพียงลมหายใจของวันวานอย่าง ก, กลับมานั่งอยู่ที่เดิมจึงเหมือนตัวเล็กลงได้สวมเครื่องแบบนักเรียนมัธยมอีกครั้งตายจริงใกล้เวลานัดกับอาจารย์แล้วปออุทานหลังยกนาฬิกาขึ้นดูจริงด้วยต้นดูนาฬิกาตามเราต้องไปพบอาจารย์ที่ห้องพักครูก่อนใช่มแล้วค่อยไปที่ห้องประชุมกันอีกทีค่ะแต่ฉันมาก่อนเวลา อยากมาดูตะเบบุย่าบานระลึกความหลังดีนะที่เราคิดเหมือนกันต้นยิ้มไม่งั้นผมอาจทำนั่งงงตอนเจอคุณหญิงสาวยิ้มรับรีบไปกันเถอะค่ะสองหนุ่มสาวลุกขึ้นดอกตะเบบุย่าร่วงพรูผ่านหน้าราว ก, กับม่านสายลมสีชมพูอ้อต้นนึกได้ลวงมือไปในกระเป๋าเสื้อนี่นามบัตรผมครับมีอะไรจะติดต่อก็โทรคุยได้ตลอดเวลา พอรับมาแล้วเปิดกระเป๋าถือใส่นามบัตรเข้าไว้ก่อนหยิบนามบัตรตัวเองส่งให้นี่ของฉันค่ะถ้ามีงานโฆษณาอะไรให้รับใช้ก็โทรหาได้ชายหนุ่มก้มดูนามบัตรหญิงสาวอมยิ้มเล็กน้อยแล้วเปลยเบาๆกับนามบัตรตรงหน้าแล้วถ้าทิดถึงเฉยๆไม่มีงานอะไรจะโทรหาได้หรือเปล่านะ้าหญิงสาวไม่ตอบมีเพียงรอยยิ้มแตะแต้มในดวงตา คำพูดจากนี้ไม่นับว่าจาเป็นการเวลายังคงเดินทางต่อไปสำหรับคนสองคนเมื่อผ่านก้าวที่หนึ่งมาก้าวที่สองคงไม่ยากที่จะมีก้าวต่อไปสายลมพัดดอกตะเบบุญ่ากลุ่มหนึ่งให้ปลิวขวางเป็นทางไกลต้นดูคล้ายถนนสายสีชมพูที่ทอดยาวให้คู่รักก้าวเดินเพียงแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าถนนเส้นนี้ดูสวยงามหวานใสเมื่อเริ่มต้น แล้วจากนั้นคงเป็นเพราะชะตาที่ฟ้าบันดาลให้เจอคงเป็นเพราะตัวเธอกับฉันนั้นเคยรักกันแค่มองตาก็รู้ในใจมีแต่คำ ดูการหมุนเวียนเป็นสิ่งแสดงสัจจะให้เห็นโลกนี้ล้วนแปลเปลี่ยนไม่แน่นอนเทว่าความไม่เที่ยงแท้ก็มีความงดงามของมันเป็นความงามที่น้อยคนจะเห็นเพราะต้องใช้ความกล้าหันหน้าเผชิญด้วยใจซื่อเป็นกลางคนส่วนใหญ่หวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงมักเลี่ยงหนีหาวิธีบิดเบือนไม่กล้ายอมรับทั้งที่จริงต่อให้ยอมรับหรือไม่ ความเปลี่ยนแปลงก็ยังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตตะเบบูย่าวันนี้ยืนต้นเดียวดายดอกใบร่วงครูเหลือกิ่งก้านเงียบงนันลำต้นสูงใหญ่บอกถึงร่องรอยการเวลาหลายสิบปีกิ่งก้านแผ่คลุมอย่างกล้าหาญแม้ไรดอกใบเหมือนจงใจประกาศแก่โลกว่าตนยอมรับความแปรเปลี่ยนไม่ฝืนขัดเมื่อมีงดงามย่อมมีร่วงโรย นั่นคือธรรมดาของโลกที่ลานดินใต้ต้นตะเบบุย่าเกลื่อนไปด้วยดอกสีชมพูดาราดาดเต็มลานราวกับพรมสีสวยชั่วคราวรอเวลาเหี่ยวแห้งผุพังต้นกระปอนั่งอยู่บนเก้าอี้มะหินใต้ต้นตะเบบุย่าตัวเดิมปล่อยให้ความเงียบแทนบทสนทนาปล่อยให้จังหวะแผวของหัวใจแสดงความอ่อนล้าโรยแรง น, น, นานๆดอกตะเบบุย่าที่ค้างต้นจะร่วงหล่นผ่านหน้าสักทีตนกลมมองดอกไม้ที่ตนเคยชื่นชมก่อนถอนใจเบาๆผมไม่คิดว่าปอจะนัดให้เรามาเจอกันที่นี่ชายหนุ่มทำลายความเงียบนั่นน่ะสิหญิงสาวพูดเหมือนถอนใจอาจเป็นเพราะที่ตรงนี้เราไม่เคยทะเลาะ ก, กันชายหนุ่มนิ่งกมหน้าดวงตาทอประกายเจ็บปวดถ้าผมจะขอโทษปออีกครั้งตรงนี้ เเเราาจะกลับมป็นหมมืออนเดไดไไ้ีก ห, หญิงสาวยิ้มขื่นๆให้กับที่โล่งว่างเบื้องหน้าที่ซึ่งไม่มีใบหน้าเขาสายไปแล้วต้นยังไงซะปอก็ต้องเดินทางวันพรุ่งนี้อยู่ดีสีหน้าชายหนุ่มแสดงความอึดอัดดวงตาฉายเพลิงโทสะชั่ววูบ ก, ก่อนรีแสงขบริมฝีปากแน่นใช่ปอพูดถูกสถานที่นี้เป็นที่แห่งเดียวที่พวกเขาไม่เคยทะเลาะกันฉะนั้น วันนี้เขาต้องรักษาความทรงจำอันงดงามของมันเอาไว้ปอจะให้ผมทำยังไงคุณถึงจะไม่ไปเขาเงยหน้าขึ้นวาววอนที่ปอนัดต้นมาวันนี้ไม่ได้ต้องการพูดเรื่องเก่าเพราะยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ปออยากให้เราจา ก, กันด้วยดีอย่างน้อยก็รักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้เวลานี้ปอไม่โกรธไม่เกลียดต้นแล้ว ปัญหาทุกอย่างปล่อยให้มันผ่านไปเถอะถ้าต้นจะมีใครอื่นปอก็ยินดีและที่ปอจะไปเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าไปตามความฝันของตัวเองปอก็อยากให้ต้นแสดงความยินดีด้วยเช่นกันหญิงสาวจบประโยคอันยืดยาวพร้อมถอนใจราวกับหลดภาระอันหนักหน่วงลงชายหนุ่มพูดไม่ออกคอหอยจุกแน่นด้วยความรู้สึกยากอธิบาย มีคำพูดมากมายมีคำขอโทษเป็นล้านอยากบอกแต่ใจหนึ่งรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์คบกับหล่อนมากี่ปีแล้วมีหรือจะไม่เข้าใจปอเป็นผู้หญิงหนักแน่นเด็กขาดแค่ไหนหล่อนอดทนจนถึงที่สุดแต่เมื่อจบคือจบผมรักปอเขาหลุดคำพูดนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนี่คือความรู้สึกจริงๆไม่เคยโกหกแต่ผมห้ามคนอื่นไม่ให้มาชอบผมไม่ได้ ห้ามเขามาวอร์วกับผมก็ไม่ได้แล้วผมก็ห้ามปอไม่ให้โกรธก็ไม่ได้เหมือนกันหญิงสาวยิ้มเหนื่อยใจมันผ่านไปแล้วล่ะต้นถ้าจะพูดไปนั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ทำให้เราเลิกกันปัญหาเล็กๆน้อยๆก็มีอีกเยอะถ้าจะพูดง่ายๆคือต้นไม่เข้าใจปอไม่เคยเข้าใจเลยสักนิดทั้งที่บอกว่ารักปอนั่นแหละ ถึงตรงนี้เขาก็เงียบไม่มีอะไรพูดอาจจะจริงเขาไม่เคยเข้าใจหล่อนเลยทั้งที่ปากบอกว่ารักสุดหัวใจวันนี้เวลานี้ปอขอรอยยิ้มจากต้นได้ไหมขอให้เรามีภาพดีๆของกันและกันในที่ที่เรามีความรู้สึกที่ดีกับมันสถานที่ที่เราไม่เคยมีความเจ็บปวดร่วมกันเลยขอบตาร้อนเผาเหมือนน้ำตาจะไหล ให้พูดอย่างไรได้อีกเวลานี้สิ่งที่ควรกระทําคือส่งรอยยิ้มตามที่หล่อนต้องการรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจอันเจ็บปวดคงไม่น่าดูนักบางทีการที่ต้องทําตามความต้องการของคนที่เรารักโดยหัวใจรวดร้าวเช่นนี้อาจเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งถ้ารักก็ควรยินดีกับเส้นทางที่คนรักเลือกเดินปอจะไปตามหาฝันเพื่อความก้าวหน้า ไปเรียนต่างประเทศอย่างที่เธอต้องการมาหลายปีติดที่เขาเท่านั้นเป็นคนรั้งเอาไว้จากการวันนี้ไม่รู้อีกกี่ปีจะได้พบเขาไม่อยากให้รอยยิ้มอัมลานี้เป็นรอยยิ้มสุดท้ายชั่วนิรันดร์ตะเบบุย่าดอกสุดท้ายร่วงหล่นจากต้นที่โต๊ะหินไร้เงาร่างสองหนุ่มสาวความวังเวงแผ่กระจายเกาะกลุ่ม ทุกกลีบดอกไม้ที่กลาดเกลื่อนกระจายรอบลานดินอีกนานเพียงไรหนอฤดูแห่งใบไม้ผลิจะเวียนมารักเอ๋ยที่เคยรักกันวันนั้นจริงหรือหลาถทำเธ อ, อย่าทา สายฝนเพิ่งหยุดโปรยปลายไม่นานตะเบบูย่าผลิใบเขียวสดซับน้ำไว้เต็มที่มองแล้วพาจิตใจชุ่มชื่นท้องฟ้าเป็นสีขาวจางปุยฝนยังเคลื่อนไปไม่หมดไอเย็นฉ่ำแผ่กระจายลานดินใต้ต้นเฉิดแฉะแต่กลับมีชายหนุ่มแต่งกายสะอาดสุภาพยืนชะเงอคอมองหาดอกตะเบบูย่าโดยไม่กลัวกางเกงเปื้อน ปอยืนมองชายหนุ่มจากด้านหลังหลายปีที่ไม่เจอกันดูเขาเปลี่ยนแปลงไม่น้อยท่าทางสุ ข, ขุมภูมิฐานรูปร่างเริ่มมีเนื้อมีหนังมากขึ้นไม่ใช่หนุ่มผอมเพรียวคนเดิมมองจากเบื้องหลังแล้วอดยิ้มไม่ได้ไม่เห็นรูปร่างเขาเปลี่ยนแปลงปอก็มองเห็นจิตใจตนเองเปลี่ยนไปเช่นกันวันเวลาได้พัดพาความรู้สึกเก่าๆออกจากใจความเศร้าขมขื่นเจ็บปวด ไม่รู้หายหนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เคยคิดว่าชีวิตนี้คงไม่อาจมองหน้าเขาได้เต็มตาอีกก็กลับยืนมองเขาอยู่อย่างนี้โดยไม่คิดละสายตาแค่กระดาษเกินกว่าจะเป็นฝ่ายทักทายเรียกหาต้นรู้สึกมีสายตาคู่หนึ่งมองมาจากเบื้องหลังจึงหันกลับพกกับดวงตาคุ้นเคยดวงตาพราวรอยยิ้มมีชีวิตชีวาคู่เดิม หญิงสาวคนนั้นมีรอยยิ้มพร้อมคำทักทายไม่ผิดเด็กสาวคนเก่านี่ถ้าจะดอกตะเบบุย่าบนตน้นจะยังปีนขึ้นไปเก็บอีกหรือเปล่าใช่หนุ่มหัวเราะหัวใจโปร่งเบาแก่แล้วคงปีนต้นไม้ไม่ไหวหรอกอ้าวแล้วมาทำอะไรแถวนี้หญิงสาวเอียงคอถามทางโรงเรียนเราจะสร้างอนุสรสถานเลยให้ผมมาดูสถานที่เพื่อไปออกแบบ เขาตอบพลางถามกลับแล้วปอล่ะเป็นยังไงไมายังไงไม่ได้ข่าวคราวเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีสวยขึ้นจนเกือบจําไม่ได้อย่ากแกล้งชมคนแก่เลยต้นาอายุขึ้นเลขสามกันแล้วพวกที่ทํางานเขาเรียกปอว่าป้ากันทั้งนั้นแล้วมีครอบครัวหรือยังชายหนุ่มถามด้วยน้ําเสียงสบายๆแต่ในใจกลับแปลกๆ ไรสาเหตุอืมหญิงสาวนิ่งนิดนึงก่อนพยักหน้าตอบรับล้วต้นล่ะมีครอบครัวหรือยังลูกกี่ขวบลใชายหนุ่มยิ้มยังรู้สึกว่าฝืนก็ยังอยู่ชั้นอนุบาลเขารู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ยากเย็นทั้งคู่รู้สึกว่าบทสนทนาฝืดฝืน เข้าสู่สภาวะกระอักกระอ่วนเต็มทีเออชายหนุ่มรีบเบี่ยงเบนประเด็นแล้วปอมาทําอะไรที่โรงเรียนล่ะพอทางโรงเรียนเขาจะจัดงานหาทุนสซ่านอนุสรสถานที่ต้นมาออกแบบนี่แหละเลยให้ปอมาทําแผนโฆษณาหารายได้ให้อืมงั้นแสดงว่าเราจะได้ทํางานร่วมกันแล้วสินะชายหนุ่มยิ้มนั่นสิเป็นครั้งแรกเลยนะ หญิงสาวเกิดความอบอุ่นลึกๆจากนั้นทั้งคู่ได้แต่มองตากันหาบทสนทนาต่อไม่ได้ในใจมีกำแพงบางอย่างกั้นกลางเป็นกำแพงแห่งมุสาที่สร้างความอึดอัดใจตลอดเวลาทั้งที่พยายามพูดจาอย่างเป็นธรรมชาติลมแรงพัดมาวูบหนึ่งแต่เบบุญ่าสั่นกราวหยาดน้ำร่วงพรูจากใบลงมาราวกับหาฝนซัดสาดปอเอี้ยวตัวหลบ ขณะที่ต้นรีบก้าวเข้ามาเอาร่างบางหยาดฝนจากยอดไม้ให้หญิงสาวสองร่างชิดใกล้จนสัมผัสลมหายใจกันและกันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจดังชัดราวกับมันต้องการออกมาประกาศความจริงให้โลกรู้สองสายตาประสานความรู้สึกเร้นลึกถูกเปิดเผยตีแผ่ชั่วเวลาสั้นๆขอบคุณนะตน้นป่อแก้มร้อนรีบเบี่ยงตัวออกจากอ้อมแขนเขา ชายหนุ่มยิ้มฝืฝืนถอนใจหนักก่อนตัดสินใจเด็ดขาดปอผมมีเรื่องอยากบอกเขาพูดแต่หญิงสาว <ไป S 1> เอไลท์รีบไปเช็ดตัวที่รถปอก่อนดีกว่าต้นเปียกหมดแล้วฟังเรื่องของผมก่อนนะเขาอยากเปิดเผยสิ่งที่อัดอั้นในใจเดินไปคุยไปก็ได้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มดวงตามีประกายแห่งการตัดสินใจปอก็มีเรื่องอยากบอกต้นเหมือนกัน ชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนคิดได้เขายังมีเวลาอีกมากที่จะบอกหล่อนจะรีบร้อนไปทำไมคำพูดนั้นอาจไม่มีประโยชน์อีกแล้วในเวลานี้แต่เขาก็อยากจะบอกมันออกไปบอกว่าตนเองยังไม่มีลูกไม่มีครอบครัวหลายปีที่ผ่านอาจมีบางคนเข้ามาในชีวิตแต่มันก็จบไปแล้วเวลาและความไม่ลงตัวหลายอย่างทาให้ผู้หญิงคนนั้นเดินออกจากชีวิตเขา ได้สิยังไงเราก็ต้องทำงานร่วมกันมีโอกาสเจอกันบ่อยอยู่แล้วชายหนุ่มตอบรับหญิงสาวคลี่ยิ้มจริงสิเขากับหล่อนต้องทำงานร่วมกันมีโอกาสเจอกันบ่อยถึงอย่างไรคงปิดบังบางเรื่องไม่ได้อยู่ดีซูรีบอกเขาแล ะ, ะเผชิญหน้ากับความจริงดีกว่าจะได้ไม่ต้องอึดอัดทรมานกับคำโกหกของตัวเองแม้ว่าบอกไปแล้ว จะทำให้หล่อนเหมือนคนไร้น้ำยา ก, ก็ตามทีปอยังไม่มีครอบครัวจะมีได้อย่างไรในเมื่อชีวิตมีแต่า ง, งานกับการเดินทางที่สําคัญจนบัดนี้หล่อนยังไม่เจอใครที่ใช่นอกจากเขาคนเดียวหญิงสาวอดยิ้มเยาะตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะบอกเขาไปทำไมรู้สึกเหมือนไร้ค่าพิกลแต่ก็นั่นแหละ มันยังดีกว่าทรมานกอดคํา โ, โกหกไว้เพื่อรักษาหน้าตัวเองสองหนุ่มสาวเดิอนออกจากใต้ร่มตะเบบูย่ามีเสียงพูดคุยแว่วมาเบาๆในกระแสเสียงนั้นตอนแรกเกิดอารมณ์พิศว ง, งงงงันก่อนจะมีเสียงหัวเราะเบาๆของหัวใจที่ผ่อนคลายเบิกบานตามมาด้วยคลื่นแห่งความสุขที่กระจายออกไปทั่วบริเวณตะเบบูย่า ยังยืนต้นรับลมฝนใบเขียวสดสะบัดเบาๆราวกับส่งรอยยิ้มตามหลังสองหนุ่มสาวอีกไม่นานดอกสีชมพูจะผลิบานใบสีเขียวจะเหี่ยวแห้งร่วงโรยเปิดโอกาสให้ทั้งต้นยืนกิ่งด้วยสีชมพูเปล่าจากนั้นดอกตะเบบูย่าจะร่วงหล่นเหลือกิ่งก้านเดียวดายแล้วใบใหม่ค่อยเริ่มผลิวนเวียนเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ แรปรรนดับไปและเกิดใหม่เวียนซ้ำนี่คือเรื่องปกติธรรมดาของโลกความงามเกิดขึ้นได้ทุกระดูการทุกระยะแห่งความเปลี่ยนแปลหากมองมันด้วยจิตใจที่งดงามด้วยจิตใจที่รู้เท่าทัน่ากยยนน้อเิไป คความ ห, หยกลยอธิบาบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตั ว, วอ่านบทบรรยายโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา ใ, ใ, ให้เสียงต้นโดยฮาร์ดปิลันบุญภ า, าและเสียงปอโดยพราวทองเลี่ยมนาคหมายเหตุ ต้นตะเบบุย่ามีชื่อภาษาไทยว่าชมพูพันทิ์สนใจชมภาพดอกและต้นตะเบบุย่าได้ที่เว็บ tourdoi.com www.tourdoi.com ตตนนคมีีหทางชวิ คณละทา